รู้อะไรไม่ว่าจะเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรเนี่ยสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมันก็ยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือจิตใจหรือความรู้สึกของเราอย่างเช่นเวลาเราเห็นภูเขาเนี่ภูเขายังเหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจเราอาจจะรู้สึก เบิกบานนะหรือว่าเห็นทะเลไม่ว่าจะจ้องมองนานเท่าไหร่ทะเลก็ยังเหมือนเดิมแต่จิตใจเราอาจจะรู้สึกผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นหน้าผาหรือว่าอยู่อยู่บนหน้าผาเนี่ยหน้าผาอย่างเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าใจเรามันจะรู้สึกเสียวขึ้นมา ตรงข้ามกับเวลาเราเห็นดอกไม้ดอกไม้อยงเหมือนเดิมแต่ใจเราเนี่ยเกิดความสดชื่นในทางตรงข้ามจะเกิดว่าเราไปเห็นซากหมาที่โดนรถชนรถทับจนไสทะลักไม่ว่าเราจะจ้องมองนานเท่าไหร่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือใจเราอาจจะรู้สึกเสียวสยองหรือขอยะแขยง ที่เดียวกันนะเวลาเราได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเช่นเสียงลมลมก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าใจเราอาจจะรู้สึกสบายแต่ถ้าเกิดเราได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ใจเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาขณะที่รถมอเตอร์ไซค์นั้นก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะการรับรู้หรือการได้ยินของเราอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้ด้วยตาหรือว่ารับรู้ด้วยหูแต่ถ้าเกิดว่าเราสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปหรือเสียงแต่มันเป็นความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยทันทีที่เรา รับรู้รู้ว่าเห็นแน่นอนไม่ได้เห็นด้วยตานะมันเห็นด้วยสติไอ้สิ่งที่ถูกเห็นนี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะมันต่างจากเวลาเราเห็นอะไรด้วยตาหรือรับรู้ด้วยหูสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินไม่ได้เปลี่ยนแปลงใจเราต้องหาที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เมื่อสิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยหรือถูกเห็นเนี่ยมันคือความคิดและอารมณ์ความคิดและอารมณ์นั่นแหละที่มันจะเปลี่ยนไปที่เคยเกิดขึ้นก็ จ, จะดับไปอารมณ์ที่เข้มข้นก็ จ, จะจางคลายลง อันนี้เป็นเพราะอะไรนะเพราะการรับรู้หรือว่าการรู้การเห็นด้วยสติแล้วจึพูดได้ว่าการรู้หรือการเห็นด้วยสติเนี่ยมันมีอนุภาพนะมันทำให้ทาให้สิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นมันแปลเปลี่ยนไป จากที่เกิดขึ้นก็ดับไปจากที่เข้มข้นรุนแรงก็เจือจางก็สลายหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการการขยันรู้ขยันเหตุเนี่ยมันจึงเป็นเคล็ดลับนะที่สำคัญมันเป็นวิชาที่เรา ควรจะฝึกฝนเอาไว้โดยเพราะคนที่รู้สึกว่าถูกความคิดและอารมณ์เนี่ยมันรบ ก, กวนจิตใจจนรุ่มร้อนจนจิตไม่สงบจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยหรือโดยทั่วไปเนี่ยเวลา รู้สึกมีความทุกข์ในจิตใจเพราะความคิดและอารมณ์เนี่ยเราก็มักจะคิดแต่ว่าทำไงถึงจะดับความคิดหรือว่าดับอารมณ์หรือดีกว่านั้นคือว่าทำให้มันไม่เกิดขึ้นหลายคนมาเข้ากรรมาฐานมา จเจริญสติมาฝึกสมาธิก็เพื่อให้ความคิดเนี่ยมันไม่มารบกวดจิตใจไม่ให้อารมณ์มันมาเผารนกรีดแทงใจและวิธีที่จะทำอย่างนั้นได้คือทาให้มันทำให้จิตนิ่งไม่คิดอะไร ซึ่งหลายคนจะพบว่ามันทำได้ยากมันไม่มีอะไรที่ยากไปกว่าการบังคับจิตให้นิ่งหรือว่าไปห้ามความคิดเพราะว่าธรรมชาติของจิตนะมันก็ชอบคิดชอบท่องเที่ยว อาจจะบังคับให้มันนิ่งได้ในบางสภาวะหรือบังคับจิตให้หยุดคิดได้ในบางสภาวะแต่พอออกจากสภาวะนั้นเช่นไปเจอผู้คนออกไปสู่โลกกว้าง ออกไปเจอสิ่งเรา้เอาออกไปเจอสิ่งกระทบซึ่งมีมากมายแล้วก็เป็นธรรมดาในชีวิตประจำวันของเราก็จะพบว่าโอ้ยมีความคิดเกิดขึ้นมากมายมีอารมณ์นานาชนิดเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็พอพยาไปกดขม่มกดข่มอารมณ์ไปห้ามความคิด ก็กับพบกับความผิดหวังแล้วก็ทำให้หงุดหงิดหัวเสียแต่ว่าที่จริงมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นแล้วก็ดีกว่านั้นนะซึ่งเราควรจะเรียนรู้เอาไว้ในการฝึกจิตให้นิ่งหรือทำให้แนบแน่นอยู่กับ อวัยวะบางอย่างในร่างกายของเราหรือบางส่วนในร่างกายของเราเช่นลมหายใจหรือว่ามือหรือว่าแขนหรือว่าท้องอันนี้ก็ดีอยู่นะการาการฝึกจิตบังคับจิตให้มันนิ่งแต่ว่า ที่ควรจะเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยก็คือการฝึกจิตให้ให้รู้ทันให้ไวในการรับรู้ไวในการเห็นความคิดและอารมณ์จิตเนี่ยที่ดีมันต้องมีความสามารถสองอย่างคู่กันไปนะบทจะนิ่งก็นิ่งได้อย่างสงบแต่บทที่จะ รับรู้อะไรก็รับรู้ได้อย่างรวเดเร็วฉับไวแต่เพราะความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ประสงค์มันก็เมื่อนคนการที่คนเราเนี่ยถ้าว่าสามารถจะนอนหลับให้สนิทนะหรือหลับได้ไวเนี่ยนี้เป็นของดี ปวจะหลับก็หลับได้เร็วหลับได้ลึกหลับได้ไวแต่เวลาตื่นขึ้นมาก็สามารถจะทำอะไรได้อย่างกระฉับกระเฉงไม่ใช่ว่าหลับลึกหลับได้ไวแต่พอตื่นขึ้ น, นมาก็งัวเงียนะสลึมสลือเนี่ยอันนั้นมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนา จิตที่สงบได้เร็วแล้วก็นิ่งได้นานอันนี้ก็ดีแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับความสามารถในการรู้และเห็นความคิดและอารมณ์ต่างๆที่ผุดขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าธรรมอารมณ์ยิ่งทำได้ไวเท่าไหร่ก็ยิ่งจะดีต่อใจเท่านั้น และเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เราควรจะมาเรียนรู้เวลาเรามาเจริญสติคือมาฝึกให้รู้หรือเห็นความคิดและอารมณ์ต่างๆได้ไวส่วนใหญ่นะก็ไปคิดแต่ว่าจะไปบังคับจิตให้หยุดคิดนะ ไปสะกดใจให้มันนิ่งแล้วก็มองข้ามความสำคัญนะของการฝึกใจให้รู้ให้รู้ความขิ้ละล้มได้เร็วได้ไวเพราะว่าความคิดละลมที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าพอเรา รู้หรือเห็นมันเร็วเท่าไหร่มันก็จะดับหรือว่าจางคลายไปที่เป็นเะนั้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นในในยามที่เราเผลอในยามที่เกิดความหลงแต่พอเรามีสติมีความรู้สึกตัวมันก็อยู่ไม่ได้ เหมือนกับไฟที่มันลุกได้เนี่ยเพราะมีอากาศมีออกซิเจนแต่พอออกซิเจนนะหายไปมันก็ดับใจเนี่ยถ้ามันมีความหลงมันก็ปรุงเป็นความคิดละลมต่างๆมากมายแต่พอมีความรู้สึกตัวมาแทนที่หรือเกิดสติขึ้นมา มันก็ดับหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกจิตเนี่ยเราควรฝึกนะให้ขยันรู้ขยันเห็นที่จริงไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้เลยก็ได้แค่รู้แค่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่กับใจเท่านั้นนะกับกายด้วยอะไรเกิดขึ้นกับ กายอะไรเกิดขึ้นกับใจก็รู้อย่างเดียวนะไม่ต้องไปทำอะไรมากไปกว่า น, นี้นะซึ่งจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยการไปบังคับจิตไม่ต้องอาศัยการเพ่งนะปล่อยให้ใจเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติ หรือว่าเป็นไปตามความเคยชินของมันแต่ว่าสิ่งที่มาเพิ่มเติมคือว่ามารู้มาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะกับใจและกายในการปฏิบัติเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบัติเราก็นึกถึงการทา แล้วเวลาพูดถึงการทำเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงการเข้าไปแทรกแซงบ้างการเข้าไปควบคุมบังคับจิตบ้างทจริงไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นเลยนะถ้าจะควบคุมก็คือควบคุมกายนี่แหละนะให้มันเดินกลับไปกลับมาหรือว่านั่งสร้างจังหวะยกมือไปยกมือมา ควบคุมให้มันทำอย่างนั้นไปได้เรื่อยๆเวลามันอยากจะเดินไปคุยออกับใครอยากจะแวบออกไปเปิดโทรศัพท์อ่ะก็บังคับให้มั น, นกลับมาเดินต่อเนื่องถ้าจะปฏิบัติหรือถ้าจะบังคับก็ทำตรงนี้เท่านั้นแหละบังคับกายให้มัน อยู่กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องส่วนใจไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้อย่างเดียวรู้แบบเรียกว่ารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจรู้แบบตะพุทตะพือเลยนะไม่ต้องมีการตัดสินว่าไอ้ที่รู้ไอ้ที่เห็นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีจะคิดดีคิดไม่ดีก็ช่าง หลวงพ่อเขียนก็ูดอยู่เสมอนะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะรู้โดยไม่ไปตัดสินนะไม่ไปแยกยะถูกผิดไม่ไปเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดกับมันนะหลวงพ่อทันย้ำอยู่เสมอเนะี่ยเวลาปฏิบัติก็ไม่ต้องเอาถูกเอาผิดกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นแค่รู้แค่เห็นมันเฉยๆคือผู้งา้นคือทำด้วยใจที่ใยรู้ อันนี้เป็นหัวใจของนักปฏิบัติเลยนะก็คือทําด้วยใจที่ใฝ่รูนะ้ซึ่งต่างจากความอยากรู้อยากเห็นนะให้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันมันอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่มันไปปนเปลือกินเลยสนองความความสนุกสนาน คนที่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านเขาอยากฟังคนเขาดินทาเรื่องของชาวบ้านอยากรู้อยากเห็นเรื่องของดาราซึ่งไม่มีประโยชน์เลยแต่ไฟรู้ไฟเห็นเนี่ยมันก็คือมาขยันรู้เรื่องกายเรื่องใจแต่ถ้ามันจะเหมือนกับคนที่อยากรู้อยากเห็นก็ตรงที่ว่า ไม่ว่าเห็นอะไรไม่ว่ารู้อะไรก็ดีทั้งนั้นคนที่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยฟังอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านเนี่ยนะก็จะยินดีที่ได้ยินเรื่องราวต่างๆของผู้คนไม่ว่าดีหรือร้ายตรงนี้มันก็คล้ายๆกับคนที่ปฏิบัติด้วยใจที่ไฟรู้ไฟเห็น อะไรที่เห็นอะไรที่รู้ก็ดีไปหมดนะไม่เลือกที่รักมากที่ชังว่าอารมณ์แบบนี้ฉันไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นจเจนความโกรธความเกลียดความอิจฉาความคิดแบบนี้ฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะเพราะมันคือความฟุง้งซ่านอันนี้ไม่เลยไม่ว่ามันจะเป็นความคิดลบหรือความคิดบวกก็อารมณ์กุศลหรืออกุศลก็ ก็รู้อย่างเดียวเลยขยันรู้นะหลวงพ่ออมเขียนเคยบอกว่าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เปลี่ยนให้เป็นรู้ให้หมดเปลี่ยนให้เป็นรู้ให้หมดแต่ถ้าเกิดว่าวางใจไม่เป็นนะอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็กลายเป็นหลงไปหมดเลยเกิดความยินดียินร้ายเกิดความไม่พอใจ เวลามันเกิดความปวดความเมื่อยขึ้นมาแทนที่จะรู้เห็นความปวดความเมื่อยก็กลายไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเกิดทุกขเวทนาขึ้นเกิดเป็นผู้ทุกข์ขึ้นมาอันนี้เรีย ว, ว่าหลงละเวลาเกิดความโกรธขึ้นในใจก็แค่รู้เฉยรู้ว่ารู้ว่าโกรธไม่ใช่หลงเข้าไปในความโกรธอันนี้มันทุกข์เลย เวลามีความโกรธเกิดขึ้นในใจนี่ไม่ใช่ว่าเราจะทุกทันทีนะเราจะทุกทันทีก็ต่อเมื่อใจเนี่ยมันเข้าไปยึดเข้าไปจมเข้าไปเป็นจมในความโกรธเป็นผู้โกรธมันเหมือนกับคนเราไม่ใช่ว่าจะร้อนเมื่อมีไฟหรือกองไฟเกิดขึ้นนะ มีกองไฟเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะร้อนทันทีเราจะร้อนก็นต่อเมื่อไปอยู่ใกล้กองไฟต่างหางหรือร้อนเมื่อเข้าไปอยู่ในกองไฟมีกองไฟแตใจเราแต่เราไม่รู้สึกร้อนก็ได้ถ้าว่าเราอยู่ห่างจากกองไฟเช่นเดียวกันความโกรธเนี่ยมีหรือเกิดขึ้นในใจไม่ได้แปลว่าเราจะเราจะรุ่มร้อน เราจะรุ่มร้องกันแต่เมื่อใจนีนมันโจรเข้าไปในความโกรธหรือหลงเข้าไปในความโกรธตจถ้ารู้นะถ้ารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นในใจหรือว่ารู้ทันเนี่ยมันไม่ทุกนะไอ้ที่ทุ ก, ก็อาจจะเป็นกองไฟนั่นแหละที่มันจะดับไปเพราะว่าพอมันถูกรู้ทัน ไอ้ความโกรธก็ดับไปเลยแต่บางครั้งอาจจะดับช้าเพราะว่าความโกรธมันรุนแรงเข้มข้นเหมือนไฟกองใหญ่ขาะที่สติซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวรู้มันมันยังอ่อนแรงอย่างที่ก็พูดว่าเนี่ยน้ำน้อยยอมแพ้ไฟมากไอ้ตอนที่กึ เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วมีสติรู้หรือมีความรู้สึกตัวเนี่ยความกลัวก็ดับนะแต่มาจะดับไปไปเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็ผุดขึ้นมาใหม่เพราะว่าแรงส่งมันยังมีอยู่เยอะเหมือนกับรถที่เล่นเร็วๆ เ, เ, เวลาเราแตะเบรคเนี่ยมันก็จะชะ ง, งักสักหน่อยแล้วมันก็ไปต่อ เราต้องแตะเบรกหลายๆครั้งจนกว่ามันจะหยุดนิ่งนะตอนที่เราแตะเบิดครั้งแรกเนี่ยรถมันหยุดแล้วมันก็ไปต่อเพราะมันมีโมเมนตัมมันมีแรงส่งไออารมณ์บางอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางคนก็สงสัยทําไมรู้ว่าโกรธจะทำไมยังโกรธอยู่ก็เพราะว่ามันรู้แต่ประเดี๋ยวเดียวหรือว่าความโกรธมันดับได้ประเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็ เกิดขึ้นมาใหม่เพราะมันมีแรงส่งหรือบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับไฟเนี่ยเวลาไปดับไฟเนี่ยขอนไม้ทูกถูกไฟป่าเผาเนี่ยขอนไม้ที่ดูไฟเผานานๆเนี่ยเวลาเราเอาไฟเอาน้ำไปดับเนี่ยมันก็ดับนะปเปลืไฟมันก็ดับ แต่สักพักมันเปลวไฟก็จะพุ่งขึ้นมาใหม่เพราะความร้อนมันสูงมากความร้อนในขอนี่มันสูงมากนะหลายร้อยองศาไอตอนที่เราเทน้ำลงไปเนี่ยมันก็ดับแต่มันดับได้ไปเดี๋ยวเดียวความร้อนที่มันระอุมันก็จะไปทำให้เปลวไฟเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่เราต้อง เอาน้ำเท ล, ลงไปหลายๆครั้งจนกว่าอุณภูมิเนี่ยในคอนนั้นมันจะลดลงอาจจะแค่เหลือร้อยสองรองศาถึงตอนนั้นเนี่ยไฟมันก็จะมันก็จะไม่เปลือแฟมก็จะไม่พุทธขึ้นมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเรามีความโกรธแล้วเรารู้ว่าโกรธแต่ทำไมยังโกรธอยู่มันก็ไม่เห็นนี้ เวลาเจอแบบนี้ก็อย่าไปท้อก็ทำไปเรื่อยๆเรยจริญสติหรือว่าขยันรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าการรู้เนี่ยของสติเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะมาไม่ได้เกิดจากความจงใจของเราและตรงนี้แหละเนี่ยมันคือสิ่งที่หลายคนเนี่ย ถ้าใจร้อนเนี่ยก็จะทนไม่ได้เพราะว่าทำไมมันรู้ทันช้าเหลือเกินมันคิดไปไม่รู้ต้องเยอะแยะถึงค่อยมันรู้ว่าเผลอคิดไปบางคนเนี่ยอยากจะให้มันรู้เร็วกว่า น, นั้นก็เลยไปดักจ้องดักจ้องความคิดทำอย่างนี้มากๆนี่นะจะเครียดนะทามากๆก็จะปวดหัวทามากๆก็จะแน่นหน้าอก แต่ถ้าว่าเราไม่รีบร้อนเนี่ยนะให้เข้าใจว่าการที่สติมันจะรู้มันจะเห็นเนี่ยมันเป็นภาวะที่รู้เองเห็นเองนะเราไปบังคับให้มันเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือว่าสร้างโอกาสให้สติได้ทำงานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสร้างโอกาสยังไงก็คือเดินอยู่เรื่อยๆ เดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมอยเรื่อยๆยกมือสร้างจระเขเรื่อยๆทำเป็นชั่วโมงไม่ใช่ทำประเดี๋ยวเดียวก็ไปโน่นไปเล่นโทรศัพท์ไปคุยกับคนไปกินโน่นกินนี่ถ้าเราไม่ให้โอกาสกับสติด้วยการให้เวลากับสติในการที่เขาจะรู้เองเห็นเองเนี่ยสติของเราก็จะเติบโตช้า และพอเรารู้สึกว่ามันมันได้ผลช้าเราก็จะไปบังคับจิตให้มันให้มันหยุดคิดหรือไม่ก็ไปดักจ้องความคิดเพื่อว่าจะไม่ให้ความคิดเนี่ยมันยืดยาวแล้วถ้าทำาปบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่หวดหัวแน่นหน้าอกนะนะต่อไปมันจะกลายเป็นความเคยชินมีบางคนเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยจิตมันนิ่งตลอดเลย จิตมันเพ่งเข้าในตลอดเลยนะจนกระทั่งเวลาทำอะไรก็รู้สึกเกร็งไปหมดนะมีบางคนเป็นหมอเนี่ยนะจะฉีดยาจะผ่านี่มือเกร็งไปหมดเลยเพราะว่าจิตมันเพ่งเข้าในถอนออกจากภาวะชนิดยากมากเพราะว่าจิตมันเพ่งเข้าในจนมันเป็นนิสัยนีย่ถึงตอนนั้นเลยมันต้องแนะเลยนะ ต้องแยจิตออกมาจากการเพ่งเข้าในซึ่งเป็นเรื่องยากมากหลายคนต้องเลิกปฏิบัติไปเลยเพราะปฏิบัติผิดนะต้องบอกเขาว่าเนี่ยเลิกทำเลิกปฏิบัติพอบอกเลิกปฏิบัติก็สึกไม่สบายใจนะเพราะอยากปฏิบัติแต่พอปฏิบัติแล้วปฏิบัติผิดเพราะเราเข้เาใจการปฏิบัตินี่คือการที่ต้องไปควบคุมบังคับบงการจิต แทนที่จะมองว่าก็แค่รู้เฉยๆรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจรู้แบบไม่เลือกที่ลักมักที่ชังรู้แบบตะพึตตะพื้นะอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ก็รู้ไปหมดนะคำด้วยใจที่ใยรู้ไม่ต้องไปบังคับควบคุมจิตธรรมชาติของคนเราสมัยนี้มันชอบไปบงการบังคับควบคุมจัดการ กับอะไรต่ออะไรมากมายถึงเวลามาปฏิบัติก็พยายามบังคับควบคุมจัดการกับจิตแทนที่ปล่อยให้จิตเป็นอิสระเป็นธรรมชาติและหน้าที่ของเราคือให้สติได้มารู้มาเห็ น, น, นถ้าว่าเราปล่อยให้สติเขาทำงานนอาจจะไม่มาอาจจะเงอะงะงุ่มง่ามช้า นะเหมือนกับสมัยที่เราอยู่ปหนึ่งปสองเนี่ยนะเวลาท่องสูตรคูณเนี่ยโหมันมันต้องนึกอยู่นานนะห้าแปเนี่ย้คูณแปได้เท่าไหร่ต้องนึกอยู่นาน9ก้าคูณแปได้เท่าไหร่ต้องนึกอยู่นานแต่พอเราท่องบ่อยๆหรือทำเลขบ่อยๆเนี่ย มันออกมาเลยทันที5 8าแ9 8สี่สินเก้าแปเพราะอะไรเพราะทําำบ่อยๆทำซ้ำๆแต่ใหม่ๆมันงุ่มงามอยู่แล้วมันจะนึกคำตอบนี่ช้ามากเมื่อกะสติของเราเนี่ยใ้มันรู้มันเห็นความกิฬาลมใหม่ๆนี่มันช้าแต่เราอย่าใจร้อนเราให้โอกาสเขาเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องให้เขาให้สติรู้เองเห็นเองอย่าไปทำแทนสติ ต้องเปิดดูกายสติได้ทำงานแล้วสติก็จะเติบโตแล้วเติบโตแล้วก็จ ะ, ะทำงานแทนเราเวลาเผลอก็เผลอไม่นานสติมาบอกเลยนะว่าตอนนี้กำลังฟุ้งแล้วมันรู้ทันมันเห็นความพี้าะอารมณ์ได้ทันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนี่ยเนี่ยก็หลักการจลสติที่นี่ไม่มีอะไรมากนะขยันรู้อย่างเดียวเลยนะ รู้แต่พึตพืน อ, อะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็รู้อย่างเดียวไม่มีเลือกที่ลับมากที่ชัง